ก็อ น, น, อน้อมน้อมปรารตนไตรก็กาบบูชาครูบาอาจารย์เนืงองากหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็นกาบกรวะหลวงพ่อกม้มครูบาอาจารย์พระเถระพันเตเพื่อนสาธมิกก็เจริญพรแม่ชีกุบาศกุบาสิกาทุกท่าน นะก็นั่งตามปกติวันนี้ก็เป็นวันศุกรนะ์ที่27กันยายนพุทธศักราช2556นะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน10ก็เป็นวันพระนะนับเวลาก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก3อาทิตย์ นะก็จะออกพรรษาแล้วนะก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธนะเมื่อถึงวันพระนะก็มียาตโยบางส่วนนะก็มารักษาศีลนะมาปฏิบัติธรรมนะในวันนี้ก็มีกลุ่มชมรมพุทธนะของบริษัทเอโซนะก็วางการวางงาน นะที่ทำเป็นประจำนะมาร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมร่วมกับพวกเรานะก็ถือว่าเป็นการที่มาทำงานอีกด้านหนึ่งนะเป็นงานด้านจิตวิญญาณนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงนะส่วนที่เป็นจิตใจนะของเราเราทำการงานในโลกนะส่วนใหญ่ นะก็จะหล่อเลี้ยงร่างกายนะหล่อเลี้ยงครอบครัวหนะรือว่าช่วยสังคมนะนี่ก็เป็นงานการที่พวกเราทํากันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะทีนี้เราก็วางการงานส่วนนั้นเอาไว้ก่อนนะวางภาระครอบครัววางภาระสังคมเพืนะ่อนฝูงแล้วก็มาทําการงานทางด้านจิตวิญญาณ นะด้วยการที่เรามาเรียนรู้นะมาศึกษาปฏิบัติธรรมการเรียนรู้การศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นนะก็มีหลายแบบหลายวิธีนะเข้าใจว่าแต่ละคนแต่ละท่านนะก็ได้เรียนรู้กันมาพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะบางคนก็ไปคิดเป็นเรื่องไกลเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องซับซ้อน นะต้องมีพิธีรีตองนะมากมายนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะไม่ยากอะไรเอากายเอาใจของเราเนี่ยเนะี่ยมาศึกษามาเรียนรู้เรียนลงไปตรงๆนะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากหนะลวงพ่อเทียนหนะลวงพ่อคําเขียนนะท่านก็ได้ชี้แนะเอาไว้การศึกษาปฏิบัติธรรมหรือการทํางานทางด้านจิตวิญญาณเนี่ย ก็คือให้เรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเรากายของเราที่เป็นดุนเป็นก้อนนะใจของเราที่มันนึกคิดนะไปต่างๆนาน า, นานะตรงนี้เนี่ยคนส่วนใหญนะ่ไม่เคยได้มาเรียนรู้กันเนะพราะส่วนใหญ่เราก็มุ่งไปทำงานนะทางด้านสังคมมุ่งไปทำงานที่จะตอบสนองทางด้านร่างกายซะเป็นส่วนใหญ่เนะพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่าย นะในส่วนของจิตใจเนี่ยนะน้อยคนมีไม่มากนะที่จะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่คนที่จะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็มักจะประสบกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ก็มีนะบางส่วนก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรนะแต่ก็มีความสนใจที่อยากจะรู้ว่าไอ้มันคืออะไรนะเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไร นะโดยเฉพาะปัญหาในด้านจิตใจนะเมื่อสักครู่ที่เราได้สาธยายมนไปนะเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยนะมันมีความทุกข์ทั้งสองส่วนนะก็คือทุกข์กายกับทุกข์ใจนะคำว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยมันก็มีทุกข์ตามธรรมชาตินะก็มันทนไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันแต่มีทุกข์อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการที่ไปยึดไปถือ ที่เรียกว่าอุปทานคักตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจะเอามาแก้ไขได้นะเราไม่ทุกข์กับอุปทานนะก็คือการเราละละวางนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้กลไกลของมันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงและเราจะปลดปล่อยมันได้อย่างไงซึ่งวิธีการที่เราจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะเราเรียกมันว่ากรรมฐานนั่นเอง นะหรือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั่นเองมีชื่อเรียกมากมายนะบางคนก็บอกไปฝึกสมาธิบางคนก็บอกไปเจริญสตนะิซึ่งโดยรวมๆแล้วก็คือพิธีการที่เราจะมาเรียนรู้นะความทุกข์นะแล้วก็การแก้ทุกข์นี่เองในส่วนของกรรมฐานหรือการทำปฏิบัติธรรมก็ดีการทำจิตภาวนาก็ดีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะ โดยส่วนใหญ่เท่าที่ได้สังเกตเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการที่เร า, เ า, เาทำจิตให้ส ง, งบนะเรียกว่าข่มนิวรนะนิวรก็อาจจะเป็นความง่วงเหงานอนความฟุ้งซ่านให้จิตมันส ง, งบในระดับหนึ่งนะเมื่อจิตส ง, งบแล้วก็ถอนเอาจิตนั้นมาพิจารณานะการเกิดดับนะในใกายในใจของเรา นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเออก็เป็นวิธีการที่เรารู้จักกันในการฝึกสมาธินะที่เรา ช, ชอบใช้กันแล้วก็เข้าใจว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงได้เคยฝึกมาตั้งแต่ชั้นประถมัธยมจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะได้ฝึกกันอยู่ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันนะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่านี่แหละคือการฝึกจิตนะการฝึกจิตจะต้องนั่งหลับตา จะต้องให้สงบนิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรนะแล้วก็ให้มันใจสงบนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็บางครั้งนะมันก็ทำให้เราเนี่ยสงบนิ่งไปเลยนะหรือบางทีก็ตกพวังไปเลยตกภวังแล้วก็หลับไปเลยนะการการฝึกจิตแบบนี้เนี่ยนะตามประวัติศาสตร์เนี่ยเาบอกว่ามีมาก่อนพระพุทธเจ้านะ เทนะ่าที่อาจารย์โควิดได้พูดเอาไว้บอกว่าได้มีโอกาสไปแถบแถวประเทศอิรักหรืออะไรเนี่ยนะก็ไปพบภาพฝาผนังที่อาอรยธรรมโบราณเมโสโปเตเมียนะเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการฝึกแบบนี้มีรูปของฤาษีนั่งอัตมาหลับตาพริ้มยังมีความสุขเพราะนั้นความสุข ความสงบหรือการฝึกจิตแบบนี้เนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนที่เจ้าชายศิษถะจะเกิดขึ้นมานะซึ่งก็เจ้าใจายก็ได้ไปเรียนรู้นะการฝึกจิตแบบนี้กับครูบาอาจารย์สองท่านนะก็คืออาลาราด า, าบทกับอุท ก, กดาบทนะก็ได้ความสงบนะในขณะที่เรานั่งหลับตานะในขณะที่เราอยู่ใน อ, อิรียบทนั้น นะซึ่งก็ได้ถ่ายทอดมาแต่ทีนี้เจ้าชายยิทะก็ยังไม่พอใจนะในการที่จะได้ความสงบนะจากการนั่งนิ่งๆจากการนั่งหลับตาโดยไม่รับรูนะ้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในเหมือนเป็นการกดข่มเอาไวนะ้ไม่ให้อะไรแสดงออกมานะแล้วก็อยู่นิ่งๆแล้วก็เย็นสบายมีปิติ นะมีความสุขนะแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาเมื่อไปทําการทํางานไปพบผู้คนไปพบปัญจวัคคีย์ก็ยังรู้สึกพอใจไม่พอใจอยู่ท่านก็เลยมาเอกใจว่าโอ้ไอความสุขแบบนี้ความสงบแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงที่สุดเนาะมันยังมีการเปลี่ยนแปลงได้มันไม่คงที่มันไม่ตายตัวนะมันยังเอาเป็นที่พึ่งได้ไม่เต็มที่นะะ ท่านก็เลยถามอาจารย์ว่ามีอะไรที่มากกว่านี้อีกไหมอาจารย์บอกไม่มีแล้วที่สุดแล้วนะนั่นก็คือเป็นความรู้ที่สุดของในยุคนั้นนะตอนหลังท่านก็เลยต้องมาเรียนรู้เองมาสังเกตมาดูด้วยสติปัญญาของท่านนะด้วยอาณาปณสติภาวนานะก็มาสังเกตว่าภายในตัวเราเนี่ยนะการที่เราไปกดข่มให้มันสงบนิ่งเนี่ย แต่บางทีความนึกความคิดอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เห็นมันเพระาะฉะนั้นต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เราต้องทุกข์ทําให้เราต้องไปยึดไปถือเนี่ยนั่นมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความนึกคิดปรุงแต่งไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรานาท่านก็เลยไม่ไม่กดไปไม่ไปกดข่มมันแล้วก็ให้ดูมันนแม้ว่า <c oughs> ในเบื้องแรกอาจจะดูไม่สงบนะเหมือนกับการที่เรานั่งนิ่งๆหลับตานะแล้วก็กดคมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นนะแต่มันก็เห็นความจริงนะของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันเมื่อไม่รู้เท่าทันเนี่ยอะไรที่ทำให้เราพอใจเราก็ยึดถือเราอยากให้มันอยู่กับเรานา น, านๆอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจเราก็ไม่อยากให้มันอยู่ นะซึ่งก็เป็นลักษณะของการอาการยึดถือนะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการยึดถือนะที่เราสาธยายมลพเมื่อสักครู่นี้นะอุปทานขันธ์ทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์นะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความทุกข์ที่ที่เกิดขึ้นภายในนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาดูเราไม่ได้หันมาดูเราไม่ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ ทีนี้วิธีการที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยก็คือการเราไม่กดข่มนะในความคิดปรุงแต่งไม่กดข่มในอารมณ์ต่างๆให้เขาแสดงออกมานะแต่การแสดงออกมาเนี่ยเราไม่ได้ไปผสมลงกับเขาด้วยนะหมายถึงว่าถ้าเขาคิดขึ้นมาเราก็คิดต่อนะแต่เราจะต้องหาเครื่องมือนะในการที่จะถอนกำลังลึกถ อ, อนพลังของความนึกคิดปรุงแต่ง หรืออนพลังของอารมณ์ต่างๆที่เกิดเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีกลไกที่เจ้าใจตาได้ค้นพบพบว่าเมื่อมันมีร้อนก็มีเย็นเมื่อมันมีหนักก็มีเบาเมื่อมันมีมืดก็มีสว่างเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีคิดมันก็มีไม่คิดซึ่งไอ้ไม่คิดนั่นแหละท่านก็พบว่าสิ่งที่ไม่คิดที่มันไว แล้วมันไวกว่าความคิดด้วยคือความรู้สึกตัวนะเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสติสัมปชัญญนะซึ่งตรงนี้นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ท่านเข้าไปเรียนรูนะ้เข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองนะโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนี่เองความรู้สึกตัวนั้นเรามีอยู่แล้วในตัวเรา <c oughs> เราใช้ความรู้สึกตัวใช้สติสัมปชัญญะในการทำการทำงานในการใช้ชีวิตแต่ความรู้สึกตัวที่มีนี้มันยังไม่เพียงพอมันยังไม่ฉับไวพอในการที่จะตามอารมณ์ในการที่จะ ต, ตามความนึกคิดปรุงแต่งก็จำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกามาปลุกหให้มันตื่นขึ้นให้มีความฉับไวขึ้น นะซึ่งรูปแบบของการฝึกที่เราเรียกว่กากรรมฐานเนี่ยนะแบบแรกก็คือแบบที่เราให้นั่งนิ่งๆสงบนะซึ่งก็เป็นที่รู้จักทั่วไปแต่ที่วัดป่าสุกตโตเนี่ยนะเราก็อาศัยวิธีการที่หลวงพ่อเทียนทนะ่านได้ค้นพบเมื่อ50ปีที่แล้วโดยการประยุกอาจากวิธีการไหวนิ่งนะที่ท่านไปเรียนรูนะ้มาจากพระที่ประเทศลาวแล้วก็มาประยุก การที่เราใช้วิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะท่านบอกไม่ต้องหลับตานะลืมตานะลืมตาแล้วก็ให้มีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นการปลุกธาตุรู้นะหรือปลุกความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันฉับไวขึ้นนะฮะแรกๆเนี่ยให้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนเรื่องความคิดเรื่องจิตอะไรยเพิ่งไปสนใจมันนะเพราะว่า จิตและความคิดมันเป็นนมามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วมันไวมากเราไม่สามารถที่ไปตามรู้ไปไปดูมันได้ตรงๆนะแต่เราจะดูผ่านการเคลื่อนไหวของกายการดูในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ความคิดนะแต่เป็นการระลึกรู้นะเขาเรียกว่าระลึกรู้นะหรือเรียกว่าความรู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองขณะที่เราพลิกมือนะ ก็รู้สึกยกมือก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกให้เป็นความรู้สึกทีละขณะทีละขณะความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นทีละขณะขณะไม่ใช่ว่าไปรู้สึกตัวตลอดเป็นเส้นอันนั้นไปเพ่งไปจ้องเกินไปละนะมันจะเกิดอาการหนักหนั ก, นกมึนมึนนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เออบางทีเราก็ตั้งใจเกินไป าบางทีมันก็อาจจะทำให้เราเไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นความรู้สึกทีละขณะทีละขณะขณะพลิกก็รู้ขณะยกก็รู้ขณะเคลื่อนก็รู้ขณะหยุดก็รู้รู้อะไรรู้สึกตัวรู้สึกการเคลื่อนไหวของมือการรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเรียกความรู้สึกตัว ความรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่กับตัวเพราะชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่ที่เราทำการงานนั้นนะใจเราไปอยู่กับเรื่องข้างนอกเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องสังคมเรื่องการงานนะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่ตรงนี้เนี่ยเรามาอาศสยช่วงจังหวะนี้เนี่ยมาเรียกนะใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่เรียกก็คือความรู้สึกตัวนั่นเอง ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวที่ตรงไปตรงมานะไม่ต้องไปคิดให้มันจะรู้นะการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดเลยคิดอะไรขึ้นมาทิ้งให้หมดเลยแล้วไม่ต้องไปกลัวนะว่าเดี๋ยวไม่มีความคิดบางคนกลัวมาฝึกไอ้นี่เราเออเดี๋ยวกลับไปแล้วมันไม่คิดแล้วทำไงเออไปเลยหรือเปล่านะบางคนไปคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปกลัวเลยนะเราต้องการให้ความรู้สึกตัวมันเด่น พลังแห่งสติหรือพลังแห่งความรู้สึกตัวมันเด่นแต่ก่อนเนี่ยพลังของความคิดมันเด่นแต่ม <idades> ันมีพลังมันมาควบคุมมันทำให้เราพอใจไม่พอใจทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์แต่ต่อไปนี้เนี่ยเราเอาความรู้สึกตัวให้มันเด่นเพราะนั้นการที่จะให้มันเด่นเนี่ยก็คือไม่ตามความคิดไม่ห้ามความคิดกลับมารู้สึกตัวมันจะคิดก็คิดไปไม่ห้าม เมื่อมันเกิดขึ้นมาก็ไม่ตามแต่ก่อนเนี่ยมันมีพลังที่จะดูดให้เราตามไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้บางทีทำงานมาทั้งวันนะแทนที่จะได้หลับหลับสบายก็ยังเก็บมาคิดอีกนะอยู่บ้านก็เอาที่ทำงานมาคิดอยู่ที่ทำงานก็เอาเรื่องบ้านไปคิดนะเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะ ตรงนี้นี่เองนะมันก็เป็นจุดอ่อนของชีวิตที่เราทำให้เรามีความทุกข์ทำให้เราไปยึดถือนในสิ่งต่างๆ ต, ตรงนี้เราเป็นจุดบกพร่องหรือเป็นจุดอ่อนของเรานั้นการที่เรามาเจริญสติหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เร า, เามีจุดมุ่งหมายที่จะปลุกทารู้คือความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้ น, นโดยเบื้องแรกเนี่ยให้รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหว จะเป็นการสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเป็นการเดินชงกรมก็ดีให้เรามีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆบางครั้งเผลอบงก็ช่างมันนะบางคนเนี่ยเห็นสังเกตนะบางทีใหมๆ่ๆเอาชิงเอาจังเลยนะตั้งใ จ, จใ้มันรู้ตลอดเวลาเลยมันก็หนักนะมันก็ตึงมันก็เครียดมันก็แน่นน้อกนะแรกๆเนี่รู้บ้างเผลอบ้างแต่เรารู้บ่อยๆ เผอแล้วแล้วไปกลับมารู้บ่อยๆนะการกลับมารู้บ่อยๆนี่แหละนะมันจะเป็นการทำให้เราเนี่ยนะความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเก็บเล็กผสมน้อยนะเหมือนน้ำหยดทีละหยดเนี่ยมันก็เต็มออ่งได้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวทีละขณะทีละขณะบ่อยๆนะมันจะเกิดความเคยชินนะที่จะรู้สึกตัวได้เร็วเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่า นิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนนะเราเคยเป็นนิสัยที่จะคิดนะที่จะตามไปตามความคิดเป็นนิสัยแห่งความหลงแห่งความไม่รู้ตัวนะเป็นวันคืนแห่งความหลงลืมหลงไหลนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เรามีความทุกข์แต่ต่อไปนี้เนี่ยเป็นวันแห่งสติเป็นวันแห่งความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นวันพระเนี่ยน่าจะมีทุกวันนะ ให้ถือซะเลยว่าวันพระก็คือวันแห่งสตินะถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะไม่ต้องมาแบ่งว่าเออวันพระค่อยไปวัดเนาะแล้วก็ไปทำสิ่งที่ดีๆวันธรรมดาแล้วก็ดีบ้างชั่วบ้างนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันมีวันพระทุกวันเลยนะอาตมาเคยได้ยินหลวงพ่อเทียนสมัยทั้นมีชีวิตท่านพูดบอกให้วันทุกวันเป็นวันพระได้ไหมนะเป็นวันแห่งสติเป็นวันแห่งความรู้สึกตัวนะ การทําในรูปแบบเนี่ยจะเป็นการเดินชงกลมก็ดีการสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะจะเป็นการเรียกความรู้สึกตัวมาอยู่กับเนือ้อกับตัวนะถ้าเราทําได้บ่อยๆทําได้เรื่อยๆนะมันจะเกิดนิสัยอย่างความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวตรงนี้นี่แหละจะเป็นเครื่องมือเป็นตาในนะเป็นตาใจที่เราจะเข้าไปดูนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราตั้งแต่ของที่มัน เห็นได้ง่ายๆนะอย่างเช่นเรานั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยนะมันร้อนมันเย็นนะมันรู้สึก <c oughs> ไม่สบายนะหรือมันสบายนะอันเนี้ยมันก็เห็นได้นะแต่การเห็นอันนี้ไม่ได้เห็นด้วยตานะเห็นด้วยความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวเห็นนะไม่ได้ใช้ความคิดเห็นนะทีนี้เมื่อเราดูอย่างนี้บ่อยๆเนี่ย เดี๋ยวมันจะเปเห็นกลไกอันหนึ่งก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเรารู้สึกหงุดหงิดอ่าอันนี้มันไปเชื่อมโยงกับการปรุงแต่งของจิตและหงุดหงิดไม่อยากนั่งนานมันเบื่อมันปวดเมื่อยคิดไปต่างๆนา น, น า, นนานยิ่งถ้าเรานั่งนานๆนะเราก็รู้สึกเอ้มมันจะดีหรอนั่งอยู่นานๆอย่างนี้มันก็จะคิดไปเนี่ยตรงนี้เราก็จะไปเห็นความคิดแล้นะความคิดก็เป็นอาการ เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นอาการของจิตที่เขาแสดงตัวออกมาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องจิตก็ดีเรื่องกายก็ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเราอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นเครื่องมือนะเรื่องลงไปตรงๆเลยอันนี้เป็นการอ่านหนังสือชีวิตเอาชีวิตเนี่ยเป็นหนังสือเป็นตำรานะหลวงพ่อํำเขียนท่านใช้คานี้นะ ตำราที่แท้จริงอยู่ตรงนี้พระไตรปิฎกนี่ก็เขียนมาจากตรงนี้หนังสือทั้งหลายก็เขียนมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเรียนรู้อย่างตรงๆเลยก็มาเรียนรู้ตรงนี้หนังสือที่เราอ่านพระไตรปิฎกที่เราอ่านเป็นเพียงแผนทีนะ่ที่จะให้เรามาเรียนรู้ของจริงณกนะ็ที่ขายที่จ่ตรงนีนะ้ซึ่งตรงเนี้มันก็จะได้เห็ น, นกลไกต่างๆของการที่เรารู้บ้างเราหลงบ้างหลงก็ไปยึดไปถือ รู้เราก็เกิดการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยไปนึกไปคิดไปจำออกมาไม่ได้นะแต่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราดูแล้วดูอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นเราไปยึดไปถือแล้วมันหนักอะ่ะมันหนักมันก็ต้องปล่อยโดยธรรมชาตินะเหมือนกับมือของเราเนี่ยเมื่อเอาไปโดนไฟมันร้อนมันก็ต้องอชักมือกลับาการที่เรามองอยู่เรื่อยๆเราไปแบก ความนึกคิดไปแบกเรื่องราวต่างๆอยู่ในจิตในใจทําให้หนักอกหนักใจเนี่ยสุดท้ายมันต้องปล่อยวางอ่ะแต่ที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่ได้ดูไม่ได้รู้เราไม่เห็นจริงๆเราอ่านบทสวดมนต์เราอ่านพระไตรปิฎกรู้หมดเลยทุกเป็นยังไงการดับทุกเป็นยังไงสาเหตุมันเป็นยังไงรู้หมดเลยแต่ก็ยังทุกอยู่เพราะอันนี้เราใช้ความคิดนะเราไปอาศัยความจําเราไม่ได้เห็นจริงๆการเห็นจริงๆก็ต้องนี่แหละ าการที่เรามาเจริญสติด้วยความใช้ความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะดูลงไปตรงๆโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเป็นเบื้องตน้นเมื่อเห็นดูรู้สึกกับกายเคลื่อนไหวก็จะไปเห็นใจที่มันคิดนึกนเมื่อใจคิดนึกเนี่ยเราเห็นได้บ่อยๆได้เรื่อยๆมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นม า, นาก็เรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันแปลปลวนมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงตัวและมันไม่เป็นตามใจเราด้วยซนะึ่งเราเรียกว่าทุกขังอนิจจ์อนัตตา น, นั่นเองเพราะฉะนั้นไตลักษ์เนี่ยไปจําเมาก็ไม่ได้นะจำมันก็แก้ทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นจริงๆตรงๆมันจะเกิดการปล่อยวางนะซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ไม่เหลือวิสัยนะของคนในยุคปัจจุบันนีนะ้ที่สามารถจะเรียนรู้ได้ <c oughs> เพียงแต่ว่าขอให้เราตั้งใจแล้วก็มีความเพียรจริงๆลงไปนะแล้วก็ถ้าใครยังมีข้อสงสัยอยู่พิสูจน์ด้วยการกระทําอย่าไปสงสัยอยู่ที่ความคิดมันอย่างนั้นใช่ไหมมันอย่างนี้ใช่ไหมเอาเหตุเอาผลเนี่ยถ้าเอาเหตุเอาผลนานนะกว่าจะมาปฏิบัติ บางคนยังไม่ลงมือเลยมันมีหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยมายกมืออย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทําอย่างเนี้นะเป็นคําถามเป็นความคิดซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราเนิ่นช้าเกินไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลงมือเลยนะลงมือลองพิสูจน์ดูที่เขาว่านะมันจริงไหมการที่เราจะรู้ความจริงของชีวิตการที่จะรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยนะเขาว่าอย่างนี้มันจริงไหมพิสูจน์ลองดูเลยทําลงไปเลย ถ้าทำแล้วมันไม่ได้ผลค่อยว่ากันอีกทีนึงทีนี้สาหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะทิ้งภาพเก่าๆเลยนะที่บอกมาปฏิบัติทำแล้วต้องนั่งนิ่งๆสงบเย็นสบายนะอันนั้นเป็นภาพเก่าๆเป็นสิ่งที่เราคาดหวังคนใหม่ๆเนี่ยมาทำเนี่ยนะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยกลุ่มชมรมพุทธเอโซ่เนี่ยนะจะเบื่อที่สุดจะง่วงที่สุดจะปวดเมื่อยที่สุด นี่แหละคือสิ่งที่เป็นธรรมะที่แสดงออกมา <c oughs> หรือบางทีฟุ้งซ่านที่สุดสิ่งนี้ไม่ผิดนะบางคนเริ่มต้นบอกเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าเนะี่ยเอ๊ะมาทําปฏิบัติมันต้องนั่งนิ่งๆสงบเย็นๆดิเอ๊ะฟุง้งซ่านเราอยู่บ้านไม่ฟุ้งซ่านขนาดนี้นี่แหละคือธรรมะที่เขาแสดงตัวออกมาที่เขาปรากฏออกมาให้เรามาเรียนรู้เรามีหน้าที่อย่างเดียวอะไรเกิดผ่านให้มันผ่านไปไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปห้าม นะกับมารู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเป็นฐานเป็นที่มั่นเป็นที่กำบังหลวงพ่อควาเขกยนท่านใช้ชอบเป็นป้อมปาการนะในการที่เราจะให้มันผ่านไปผ่านไปความปวดความเมื่อยแก้ไขด้วยการบันเทาความหิวความกระหายแก้ไขด้วยการรับประทานแต่ถ้าเป็นความคิดนึกปรวงแต่ง แก้ไขได้ด้วยกลับมารู้สึกตัวไม่ต้องไปตามไม่ต้องห้ามเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาก็ไปนะเหมือนสายลมแสงแดดที่พัดผ่านนะถ้าเราไปห้ามก็เหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเช่นเราไปห้ามไม่ให้คิดเน่ยโอ้ยิ่งห้ามยิ่งคิดนะเออมันก็แผลกนะเราเฉยๆให้ก็ผ่านมาก็ผ่านไปได้เรียนรู้เป็นประสบาการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกลไกธรรมชาติ เพราะนั้นการเห็นธรรมะเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรมากกว่านี้เลยไม่ได้เห็นสีเห็นแสงเห็นดวงแก้วอันจินตนาการความจริงคือสิ่งเหล่านี้ความปวดความเมื่อยความนึกคิดความฟาุ้งซ่านความเบื่อทาไปทาไปเดี๋ยวมันจะเจอนะบางทีมันก็มีปิติมีสุขสบายนะทีนี้ตรงนี้ก็อย่าไปง่วงมันไว เดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไปผ่านไปปัญญาจะเกิดจากการรู้ตรงนี้นี่เองทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปนะมันก็เกิดการปล่อยวางไปเองโดยธรรมชาตินะที่บอกว่าจิตว่างจิตว่างเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยนี่แหละมันปล่อยวางเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปนึกคิดว่าจะปล่อยวางนะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ขอให้เราเปิดใจเนาะ คนที่มาใหม่คนที่ยังไม่คุ้นเคยเปิดใจเรียนรู้เรียนรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายภายใ น, ในใจของเราเมื่อตัวเราก็ไปกระทบสัมผัสกับสิ่งต่างๆภายนอกที่เป็นโลกนะครามโลกในที่นี้ก็คือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วเกิดปฏิกิริยาต่างๆภายในใจของเราให้สังเกตตรงนี้นะในระยะสองวันสาวันที่เราได้มาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องจะอาศัยความอดทนหน่อยนะ อาศัยความเพียรความพยายามไม่หยุดหย่อนนะตรงนี้ก็ลองดูให้เป็นประสบการณ์จะเพ่งบ้างก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ปรับไปเองนะแล้วก็ถ้าทำไปแล้วมันเกิดทางติดทางตันแล้วนะก็มีากรารยานมิตรมีเพื่อนคอยอช่วยนะแนะนำตักเตือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมนะที่จะช่วยเหลือพวกเรา นะให้ก็ไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะความจริงของกายของใจเพราะนั้นการมาวัดป่าสุกโตในครั้งนี้เนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นี้เองและถ้าเราสังเกตดูนะมันก็จะช่วยชำระร้างนะสิ่งที่หมักหมมอยู่ในจิตใจของเราอยู่ในหัวสมองของเราให้ปลอดโป่งโล่งนะเพื่อให้มีพลังนะมีพลังชีวิต นะมีพลังชีวิตที่จะกลับไปทำการงานต่อไปนะแล้วก็ไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะกับหน่วยงานกับสังคมกับโลกต่อไปนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเรานะให้มาทำงานจิตปัญญานะก็เรียกว่า ง, งานทางด้านจิตปัญญาแต่เนพะราะนั้นใน3วันนี้2วันนี้หรือแม้แต่กลุ่มไม่ออกก็ออกที่มา นะก็คงมาทำงานตรงนี้แล้วนะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะได้มีความมดทนมีความเพียรพยายามนะแล้วก็หวังว่าความเพียรพยายามของทุกท่านนะจะได้ประสบความสำเร็จนะก็คือการที่เราได้มาเห็นความจริงของชีวิตนะได้กลับคืนสู่ความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นความสุขที่แท้จริง หน้าที่มีอยู่แล้วในทุกๆคนในเร ว, วันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร